โดยธรรมดาคนที่มีความกระตันยูก็นับว่าเป็นคนที่ดีและคนเราจะพ้นทุกได้ก็จะต้องมีพื้นเป็นคนกระตันยูแต่จะต้องมีความเข้มแข็งมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่ในความกระตันยูนั้นด้วยตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่สำนึกในพระคุณของผู้มีพระคุณอย่างสูงที่สุดใครทําคุณทําประโยชน์ให้แม้เพียงเล็กน้อย